มหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมผานอันว่าร้านตลาดแก้วอันกล่าวแล้วคือวิมุตติย า, านทัศนรัตนนั้นได้แก่ทมสิ่งอันใดปัจจเวกขณะยานังมหาราชะขอถวายพระพรอันว่าวิมุตติยาณทัศนรัตนนั้นได้แก่ปัจจเวกขณะยานคือปัญญาที่พระอริยสาวก ยังเห็นซึ่งมรรคผลและนิพพานกับทั้งกิเลสที่ละได้แล้วและกิเลสที่เหลืออยู่และยานที่เป็นเหตุให้พระอริยสาวกตรัสรู้อริยสัจสมด้วยกระแสพระพุทธดีกาที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าพระภิกษุเหล่าพุทธชิโนโรถพึงพยายามเพียรไปเพื่อได้ซึ่งรัตนะคือสัจจยานกิจยานกตยานดังนี้มหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าปฏิสัมพิธารัตนานั้นได้แก่ทำสิ่งไรปฏิสัมพิทารัตนานั้นได้แก่ปฏิสัมพิธาสี่คืออัตตะปฏิสัมพิธาหนึ่งธรรมะปฏิสัมพิธาหนึ่งนิรุตติปฏิสัมพิธาหนึ่งปฏิภาณปฏิสัมพิธาหนึ่งพระภิกษุซึ่งได้พระปฏิสัมพิทาสี่นั้นแม้ว่าจะเข้าไปสู่ถ้ำกลางบริสัทธสี่ คือขัตติยะบริษัทและพราหมบริษัทและคฤารหะบดีบริษัทและสมณบริษัทก็ดีวิสารโธจะองอาจแกล้กล้าอมังกุภูตโตมิได้นั่งก้มหน้าอยู่อนุตตราโสมิได้มีจิตสะดุง้งอัจฉพิโตมิได้ตกใจกลัวอากรมปิตโตมิได้หวาดหวั่นกลัวใครอปัฐานโอมิได้นึกหาที่ตั้ง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 ก็จะแก้โดยปัจจัยถามอัตมาโดยเหตุก็จะแก้โดยเหตุถามอัตมาโดยในก็จะแก้โดยในจะกระทำให้สิ้นสงสัยในปัญหาที่ถามนั้นๆประการหนึ่งโยโกโจิปุกคโลอนว่าบุคคลทั้งปวงแม้จะถามซึ่งปัญหาในธรรมะปฏิสัมพิธาถ้าถามอัตมาโดยธรรมอัตมาจะแก้โดยธรรม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 จะแก้โดยลักษณะอตมาจะเปลื้องเสียให้สิ้นวิมัติสงสัยในการนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิธพระราชสมภารปฏิสัมพิธารัตนดังกล่าวมานี้เป็นรรานตลาดปฏิสัมพิธารัตนของสมเด็จพระบรมศาสดายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกาที่ประธานพระสัทธรรมเทศนาไว้ว่าภิกษุซื้อปฏิสัมพิธาทั้งหลายได้แล้ว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 สัภาปนังอันว่าร้านตลาดของเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นของสมเด็จพระมุนินสัพพันยูนั้นได้แก่ทําสิ่งใดพระนาคเสนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิพ ร, ราชสมพาน์อันว่าร้านตลาดของเบ็ดเสร็จได้แก่นาวังคสัตวถุศาสนาคือคาสั่งสอนของพระาศาสดามีองค์ก้าประการ และภาษารียลิกธาตุบริโภคเจดีสังขรตนะในร้านตลาดเหล่านี้ย่อมมีวางขายเกลื่อนกลาดคือชาติสมบัติก็มีโภคะสมบัติก็มีและอายุสมบัติก็มีอารมคยะสมบัติวันณสมบัติปัญญาสมบัติมนุสิกะสมบัติทิพยะสมบัตินิพานะสมบัติสารพัดจะมีขาย บุคคลทั้งหลายปรารถนาแล้วพึงให้มูลค่ากล่าวคือตั้งใจปฏิบัติตามระวังค่าสัตถุศาสนาเป็นต้นนั้นก็จะได้สมความปรารถนามีอุปมาเหมือนของในตลาดธรรมดาคือถั่ว ง, งาสาคูและข้าวสารทั้งหลายเขาย่อมซื้อกันได้ด้วยให้ราคาสมสมกันยะถามีครุวนาฉันใด ในร้านตลาดของเบ็ดเสร็จแห่งสมเด็จพระบรมศา ส, สดานั้นบุคคลทั้งหลายย่อมจะซื้อเอาสมบัติต่างๆได้ด้วยสมาทานศีลและรักษาอุโบสถหรือแม้ด้วยการกระทำกุศลกรรมเพียงเล็กน้อยมีอุปมาฉันนั้นนี่แหละเป็นร้านตลาดของเบ็ดเสร็จแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายุติด้วยกระแสพระพุทธดีกา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 ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารประการหนึ่งพระหูชนาะอันว่าคนทั้งหลายมากมายนักหนาว่าสันติย่อมอยู่สนุกสบายในธรรมะนครสโมโทรธรรมะกติกาคือพระธรรมกถึกวิเนยะธราคือท่านผู้ทรงพระวินัยสุตตันติกาคือท่านผู้ทรงพระสูตรอภิธรร ม, มิกาคือท่านผู้ทรงพระอภิธรรม และท่านผู้กล่าวซึ่งพุทธวจนะอันมีองค์เก้าคือสุตตะและเขยยะและเวยากรณะและคาถาและอุทานะและอิติอุตกะและชาตกะและอัภูตธรรมะและเวทะละและภิกษุทั้งหลายทั้งทรงซึ่งชาดกทรงซึ่งทีฆะนิกายทรงซึ่งมัชชิมนิกายทรงซึ่งสังยุตตะนิกายทรงซึ่งอังคุตระนิกาย ทรงซึ่งขุทธธกะนิกายและพระภิกษุทั้งหลายอันประกอบด้วยศีลและสมถะและภิกษุที่เป็นเวไนคือควรจะเป็นสาวกและภิกษุที่รู้วิไนและภิกษุทั้งหลายอันเจริญในพชทชงคาภาวนาและอนุสติและพระภิกษุอันเรียนซึ่งวิปัสนาและพระภิกษุทั้งหลายอันถือโสดานิกะทุดงและถือบางสุกุล และถือยถาสันติกะทุดงและถืออภโกาสิกะทุดงอรัญยิกะทุดงรุกขามูลิกะทุดงและถือเนสัตชิกะทุดงและพระภิกษุผู้ปฏิบัติอยู่ในผลและพระภิกษุเป็นเสขพภะสมังคีและพระภิกษุผู้ได้พระโสดาและพระภิกษุผู้ได้พระสกิทาคาพระภิกษุผู้ได้พระอนาคาพระภิกษุผู้ได้อรหัต และพระภิกษุผู้ได้ตรวิชาพระภิกษุได้อภิญญาหพระภิกษุมีฤทธิ์พระภิกษุมีปัญญาบารมีอันบริบูรณ์และพระภิกษุจำเริญพระสติปัฐานสและพระภิกษุจำเริญพระสมบัตฐานสและพระภิกษุจำเริญอิทธิบาทสพระภิกษุจำเริญอินรียหพระภิกษุจำเริญพระละหพระภิกษุจริญโพชฌงเจ็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 นละว ะ, ะวะน์สระวนังอันว่าป่าไม้อ้อและป่าสนอันสล่างไปด้วยต้นอ้อและต้นสนต่างๆนานาป่าทั้งสองนี้อาเกียนอากูลแออัดมั่วมู่นซับซ้อนกันไปยะถาม่อุปมาฉันใดธรรมนครนี้ก็แออัดไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายมีอุปมาดังป่าอ้อป่าสนนั้นขอถวายพระพร ในที่นี้พระคันธรัจนาจาร์ประพันคาถาพัฒนาความข้างต้นนั้นไว้ในใจความว่าท่านทั้งหลายที่เป็นวีตาราคาและท่านทั้งหลายที่เป็นวีนโตโทสะและท่านทั้งหลายที่เป็นวีตโมหะและท่านทั้งหลายที่เป็นวีตตันหาและท่านที่หาอุปาทานไม่ได้นั้นว่าสันติย่อมอยู่ธรรมนักเรในธรรมนครและภิกษุทั้งหลายอันได้ซึ่งวิมุตติยาน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 และพระภิกษุทั้งหลายเป็นทุตังคะสมาจาร์และพระภิกษุเป็นสันลลหูกะวุตติและพระภิกษุสันโดษในลาบวะสันติย่อมอยู่ธรรมนักเรในธรรมนักรประการหนึ่งท่านทั้งหลายชายีอันไดชน้ชาญชาณรตายินดีในชาญที่รามีปัญญาสันตะจิตตามีจิตระงับบาป สมาหิตามีจิตตั้งมั่นเป็นอันดีอากินจัญญปัททะมานาปรารถนาจะเข้าสู่อากินจัญญายตนะสมาบัติบรรดาภิกษุทั้งหลายอันมีฤทธิ์และหาฤทธิ์ไม่ได้นั้นวสันติย่อมอยู่ธรรมะนคเรในธรรมะนครประการหนึ่งพระภิกษุปฏิบัติเพื่อผลพระภิกษุเป็นเสขะพระสมังคี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 และพระภิกษุผู้ยินดีในโพชทชงคภภาวนาและพระภิกษุผู mm. ้เจริญวิป sure. ัสนาพระภิกษุทั้งหลายทั้งหมดว่าสันติย่อมอยู่ธรรมะนครในธรรมะนาครพระภิกษุผู้ฉลาดในอิทธิบาทและพระภิกษุผู้ยินดีในสมาธิภาวนาและพระภิกษุผู้ประกอบในสัมมปทานว่าสันติย่อมอยู่ธรรมะนครในธรรมะนคร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 ผู้มีฤทธิ์บารมีผู้มีปัญญาบารมีวะสสันติย่อมอยู่ธรรมนคกเรในธรรมนครพระคันธารัจนาจารย์ประพันคาถาไว้มีใจความดังนี้เรื่องจัดธรรมเปรียบด้วยข้าราชการในธรรมะนะกพรในลำดับนั้นพระนาคเสนเรถระจึงถวายวิสัชนาต่อไปว่ามหาราชะ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 พระภิกษุอันถือธุดองปฏิบัติมักน้อยสันโดษเกรียดซึ่งวิญญัตและอนเนสนะและถือบินทบาทเป็นประธานจาจิกรักษาอินทรีย์มิได้ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะมิกิริยาเหมือนมแมลงผู้เคล้าคลึงแต่เกสรดอกไม้มิได้ปรารถนาให้ทายกสิ้นเปลืองและท่านที่ปฏิบัติมิได้เอื้อเฟื้อแก่ร่างกายและชีวิต มิได้เอื้อเฟือด้วยลาบส ก, การะทั้งหลายอันมิได้รู้อิม่มรู้เบื่อในทุดงฆาปิบัติจัดเป็นอกขะทัสสาเป็นลูกขุนศาลาและขุนสารและผู้ว่ากล่าวผู้น้อยผู้ใหญ่อยู่ในธรรมนครประการหนึ่งจัดสรรพระภิกษุทั้งหลายอันบริสุทธิ์จากมณทินกิเลสประกอบไปด้วยฌานมริตอันจะไปสู่ที่อันไกลและสู่ที่อันกว้างก็ดี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 ทรงไว้ซึ่งพระวินัยมาติกาทาราทรงไว้ซึ่งมาติกาและพระภิกษุทั้งหลายอัญชลาดในอักขระน้อยใหญ่ซึ่งเป็นทีฆะเป็นมรัสสะเป็นสิถินเป็นทนิตและทรงไว้ซึ่งนวังคษัตรูศาสนาให้เป็นธรรมรคขาผู้รักษาธรรมในธรรมนครประการหนึ่งพระภิกษุทั้งหลาย เป็นวิเนยันอยู่รู้พระวินัยวินนยะโกวิทาฉลาดในพระวินัยฉลาดในพระสูตรและพระภิกษุผู้รู้ว่ากระทาสิ่งนี้เป็นอาบัตสิ่งนี้หาอาบัตไม่ได้สิ่งนี้เป็นคารุกาบัตสิ่งนี้เป็นลหุกาบัตและรู้ว่าควรจะเยียวยาได้และเยียวยามิได้และฉลาดในพฤธิอาเทศลบ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 อันทรงซึ่งของหอมรูปไล่ภายนอกภายในกล่าวคือทรงไวซึ่งกลิ่นศีลทรงไวซึ่งคุณศีลอันมากกําจัดกลิ่นอันร้ายคือกิเลสมิดได้มีจัดเอาพระภิกษุจําพวกนี้เป็นคันทาปนิกาคือชาวร้านขายของหอมในธรรมนครประกาหนึ่งจัดเอาภิกษุทั้งหลายอันปรารถนาทรรม มีแต่จะปรีดาปราโมทในพระธรรมและพระวินัยและพระภิกษุทั้งหลายอรัญญะคตาผู้อยู่ในพรยสนประเทศราวป่ารุขมูละคตาผู้อยู่ในที่โขนไม้และพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเอกาสนิกาถือเอกาสนิกาทุดงและเป็นขะคณะคตาอยู่อปโพกาตและเป็นสุญยะคาระคตาอยู่ในที่อยู่อันสงัด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 อันมีอิริยาบทนั่งและยืนและเดินจงกรมในราตรีปฐมยามมัชชิมยามปัจชิมยามและสแสวงหาซึ่งประโยชน์แห่งตนในความเป็นผู้ตื่นอยู่กิเลสะปฏิภาหานายะเพื่อจะห้ามเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายพระภิกษุจำพวกนี้จัดเป็นนขราราคาคือคนรักษาพระนคร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 นครโลกีนี้ในช่างที่ตายสร้างไว้ยะถามีครุวนาชันใดก็ดีอันว่าธรรมนาครนี้ก็เหมือนกันสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าทรงประดิษฐานไว้เพื่อจะให้ถาวรตั้งมั่นทั่วห้าพันพรรษาถึงว่าสมเด็จพระบรมโลกก น, นาศาสดาจารเจ้าเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วนานช้า บุพาจารย์เป็นต้นย่อมรู้ได้โดยบาลีที่เล่าเรียนและสั่งสอนสืบต่อมามีอุปมาฉันนั้นสาธุสัตบุรุษพึงทราบโดยอุปมาอุปมยฉนี้ตะทาการครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทระมหากษัตรมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา อันว่าธรรมนคอนี้พิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นที่ประกอบด้วยกาลังปรีชาเชี่ยวชาญเช่นพระผู้เป็นเจ้าก็อาจสามารถจะสร้างคุ้มกันเขาได้ด้วยเหตุนี้จึงยากที่จะให้โยมเชื่อ ว, ว่าสมเด็จพระมหากรุณามีปรากฏในโลกนี้เป็นมั่นคงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าจงอุปมาให้พินโยภาวะยิ่งขึ้นไปอีกก่อน เรื่องเปรียบมหาสมุทรกับโลกสมุทรพระนาคเกษเถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบอพิษพระราชสมภารประการหนึ่งธรรมดาว่ามหาสมุทรอันใหญ่อนุปุพพะคัมพีโรลึกล้ำคัมเพียรภาพพลพิสัยเป็นลำดับไปอาปาริมิตะพาลุกะชะละทะโรส่งไว้ซึ่งสายและชนชาตจะนับไม่ได้ ติมิติมิงคละมากุโลอากูลมูลมั่วไปด้วยปลาตัวใหญ่ชื่อติมิติมิงล拉มาฉาเป็นที่ไปมาอาศัยอยู่แห่งหมูหนาคครุดและผีเสื้อน้ําบรรดาสัตว์ทั้งหลายย่อมพากันเที่ยวแวกว่ายสแสวงหาอาหารท่องแถวโจรฐานั้นก็กำเริบด้วยหมูอ่อสูรคึกขนองอันหนึ่งเสียงเมฆกึกกร้องสะเทือนท้องน้ํากำปนาด ฟังดังเหมือนเสียงผินพาดของกลองดุรยางดนตรีเพลีสวรรค์สมุทรวารีนั้นก็เกาะเกิดเป็นเขาอันงามหลากนับได้มากกว่าหมื่นแสนมีหมู่อมอรแมนเฝ้าแหนสิงสถิต ท, ทุกยอดเขาเทพเจ้าย่อมเสวยทิพยสมบัติสมนัต บ, บันเทิงใจโดยอาศัยสมัรสมสรแต่ก่อนมาอันหนึ่งประกอบด้วยมหานาวาสรุป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 จะมีแต่เท่านั้นหาไม่ได้กระสัดและพรามพ่อค้าและชาวนาพ่อครัวและอาชีวกคนนุ่งขาวและปริพาชกและพระพุทธสาวกและคนขอทานและคนถือทิินอนกับพื้นแผ่นปัทพีผ้าและคนถือนอนข้างเดียวและคนไม่อาบน้ำและคนถือหมักเงือหมักใครและฉีเปลือยเปล่ากาย และพระดาบททั้งหลายเป็นอันมากย่อมอยู่ในโลกสมุรนี้เกลื่อนกลาดประการหนึ่งอันว่าสัตว์จตุบาทมีอนเอกนกนานาคืออูดลาแพะแกะและสัตว์สีเท้าทั้งหลายเหล่าอื่นมากมายเหลือที่จะกล่าวและสัตว์สองเท้าเป็นต้นว่านกจากกระพรากนกแก้วนกสาริกานกกระเวานกเพียราบเหลือที่จะพันนานา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 อันหนึ่งโสดครั้งเมื่อเสด็จลงจากดาวดึงส พ, พิภพสมเด็จพระนาราศพก็ได้ตรัสพระสัทธรรมเทศนาซึ่งนิโรธสัตย์นิกรชนทั้งหลายได้สดับแล้วหมดความสอดแคล้วในพระพุทธคุณบรรลุมรรคผลมากร้นเหลือหลายประมาณได้สามสิบโกรธพระสัทธรรมเทศนาที่พระมหาภูณีโปรดประทานนั้น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 ได้เห็นคลื่นคือพระสัทธรรมอันโอฬานของพระบรมโลกุตมาจารย์ผู้ประหารเสียซึ่งความโสมิได้รู้แพ้ผู้ใดทั่วไปในโล ก, กธาตุองค์อาจล่วงเสียซึ่งตัณหาปลดปลื้งเหล่าประชาให้พ้นจากภพก็ทราบชัดในใจได้ว่าอกโคพุทโธภวิสติสมเด็จพระมุนีพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าสัพพสัตทั้งหลาย มีอยู่เป็นมั่นคงดังนี้ตถาเอวะมีอุปมาฉันนั้นขอถวายพระพรครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาโยมได้ฟังคำเล่ากันมาแต่ก่อนว่าพระฤาษีภายนอกพระพุทธศาสนานั้น ย่อมยังมนุษย์ทั้งปวงให้กำปนาตหวาดไหวได้โยมกลัวแต่ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านั้นก็จะเป็นมฤสีนั่นเองเหตุฉะนั้นจึงยากที่จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าจงกระทำอุปมาให้ยิ่งกว่านี้ก่อนเรื่องเปรียบหิมวันตบรรพศกับธรรมะบัรพศพระน่ า, าเคเสนจึงถวายพระพร อ, อุปมาว่า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 ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมะบันพ์ภูเขาคือธรรมะของสมเด็จพระบรมโลกกาณาศาสดาจารย์เจ้านั้นก็เหมือนกันอันว่าธรรมะบันพศนั้นอเนกัชาณะธรรมะพละอารมณะวินทโธผัพวพันไปด้วยอารมณ์คือชาญและธรรมและผลเป็นอนเนกสุญญาตะอนิมิตะตากุัะปภาระมาลโย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 ย่อมเป็นที่อยู่แห่งท่านผู้ได้ไตรวิชาและอภิญญาหกและท่านผู้ได้พระปฏิสัมพิทาและท่านผู้ได้จดตุเวสารัชะและท่านผู้สาเร็จในบารมียานและธรรมะบัรพลนันใสย่อมอาเกียนไปด้วยอาคาาคือยาอันดับเสียซึ่งพิษร้ายและอาเกียนไปด้วยโอสถทั้งหลายอันจะดับโรคทั้งปวงและรักษาอายุให้จริญ ประกอบไปด้วยจันคือศีลยาคือสมถะกฤษสนาคือปัญญากลิ่นคือสันโดษอันบริสุทธิ์อันหนึ่งเขาธรรมบรรพจน์นั้นมีเขาทั้งหลายเป็นบริวารคือพระสติปัฏฐานทั้งสพระสมบัติฐานสอิทธิบาทสอินรียห้าภะละห้าโพชงทั้งเจประการและพระอัฏฐังคิกามักมียอดอันสูงนัก